สิกขาบทวิพังภิกษุณีไม่เป็นไข้ไม่พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำภิกษุณีใดไม่เอื้อเฟือ้อไม่เป็นไข้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัติทุกกฎ